พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การนอนถึงตื่นดึกลุกเช้าอันนี้เป็นธรรมเนียมของโครู้ทมเห็นทผู้ปฏิบัติธรรมเพราะอากาศตอนเช้านี่มัน เป็นอากาศอุตุธาตุไม่หนาวมากไม่ร้อนมากพอดีพอดีเหมาะแก่การลุกขึ้นทำความเพียรชำระกิเลสในจิตใจนี้ให้มันน้อยเบาบางไปถ้าใครไปเห็นจะแก่รับแก่นอนอยู่ก็ไปได้ทำความเพียร ไม่ได้ชำระกิเลสให้รอยเบาบางออกไปจากจิตใจของตนก็เป็นผู้มีใจคุณมัวเศอหมองอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันดึงพ้นจากวัฏฏะสงสารทุกอันนี้ไปไม่ได้เราทุกคนที่เป็นลูกศิต์เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้า ควรพากันเห็นทุกข์เห็นภัยในวัตาตรงสารอันนี้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าในเหตุที่พระองค์เจ้าจะได้ตัดรู้จะได้บรรลุถึงซึงภริในพานก็พเพราะอาศัยที่พระองค์มาเห็นทุกข์เห็นภัยในวตาสงสารนี่แหละ เป็นหลักอันสำคัญถ้าไม่มีทุกนี้ก็จะไม่มีผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์แต่คนที่ไม่มีบุญบา ร, รมีกว้างใหญ่ไพศาลจะไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตนเองอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซึ่งพระองค์ได้สร้างบา ร, รมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงสามารถรู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ออกจากทุกข์ได้ก่อนคนอื่นทั้งหมดดังนี้แหละจึงชื่อว่า พระองค์นั้นนะเป็นตัวอย่างของชาวโลกที่ทำตนได้พ้นจากทุกไปชาวโลกผูมีปัญญาพิจารณาเห็นตามที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแสดงไว้และทรงกระทาบำเพ็ญมาก็จึงยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระ อ, องค์ ยินดีในการนั่งสมาธิภาวนาประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพียรสอนจิตสอนใจนี่ให้มันเบื่อหน่ายในทุกข์ทำไมจะเป็นทุกข์เมันไม่เที่ยงสังขารที่มีวิญญาณครองนี่แหละสำคัญมาก เพราะว่าจิตวิญญาณตรงนี้ยมันสวยทุกทนทรมาสนส่วนต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีวิญญาณครองถึงแม้ว่ามันจะแปรปวนแตกดับลงมันก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่สัตว์ที่มีวิญญาณครองนีเสิเช่นมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกนี่ยมันมีความรู้สึก ในสังขาร น, นี่มันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตเนี่ยเนี่ยมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสบายใจเมื่อเป็นเช่นนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงเบือนายขันทั้งห้าอันนี้ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยพอเกิดมาแล้วมันก็วิบัติแปรปูวนไปอยู่อย่างนั้นแปรไปแปรมาในที่สุดก็แตกตับลงไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้มันพิจารณาอย่างนี้เสมอๆแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่าย ต่อความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะเต็มไปด้วยความทุกข์น า, นาระการแต่ความสุขมันก็มีอยู่หรอกแต่มันเป็นสุขชั่วคราวหนึ่งอย่างที่เคยได้พูดได้อธิบายฟังมาสุขชั่วคราวนั่นน่ะสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการบริโภคกรรมวุตุ สุขในเรื่องเงาะรศพภพเงินหรือสิ่งที่ตนชอบอกชอบใจสแสดงออกมาทางกายวออาจาและรู้สึกว่าเป็นสุขสบายดีอันนี้แหละความสุขหล่อนลี้ําเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกต้องให้เข้าใจผู้ใดไปเชิญชมยินดีในความสุขทั่วคราว มันก็ย่อมไม่ยินดีเจตแหงหาความสุขอันถาวรหรือความสุขอันภัยบู์ตามที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงแสดงไว้กระพากันนิ่งนอนใจได้นอนหลับสบายกะวะ็ว่าตนเป็นสุขก็นอนเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายไปเท่านั้นนอนแล้วไม่รู้จัก ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกขึ้นเลยถึงตื่นขึ้นมาแล้วก็บิดที่เกียรติเพราะหลับไปอีกอย่างนั้นยังไม่ตื่นหรือลุกเช้าก็ไม่ได้ไหวพระสวดมนต์ไม่ได้นั่งภาวนาสมาธิเพราะสว่างมาแล้วต้องมีการมีงานทำอันนี้ควรคิดควรพิจารณากัน ทั้งนักบวชทั้งกระลึกลัดต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่ในใจยังละกิเลสไม่หมดดังนั้นเราต้องภาคเพียนพยายามละกิเลสนี้ให้มันน้อยเบาบางไปหมดไปจากกิตใจถ้าเราไม่ภาคเพียนในชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้ภาคเพียนแหละ ถ้าไม่ภาคเพียนรากกิเลสออกจากสันดานนี่มันก็ไม่มีทางทนทุกข์ไปได้สักทีแต่มนุษย์เรามันชอบกามะคุณอันจะทุกข์ไปได้แล้วก็ทนเอาอดเอาทนเอาเพราะมันชอบใจอันเมื่อชักจูงก็ามาปฏิบัติธรรมอันเป็นเรื่องที่ทนไม่ชอบใจ มันไม่อดไม่ทนพอมาเจอความยากลำบากเข้าหน่อยหนึ่งจิตใจก็ท้อถอยแล้วเนี่ยท่านเรียวกว่าคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่มีปัญญาความรู้ความฉ ล, ลาดมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสุขอันเป็นแก่นสารดังนั้นน่ะมันถึงไม่สนใจ ในการที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะมันหลงไหลอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่จึงอยากคุณพูดย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะว่าคนเรานี่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ตีดอ ก็ถ้าหาก็าผู้ใดไม่ติดอยู่ในความสุขคร่ำคราวอถ้าเป็นพระเป็นเนนก็ต้องตื่นดึกลุกเชา้าทําความเพียรไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้าเป็นครือขัดก็เหมือนกันก็ต้องตื่นดึกลุกเชา้าไปพระนั่งสมาธิภาวนา คำละจิตใจที่เศร้าหมองให้ฟองใสอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภายในสงสารปรารถนาจะพ้นจากทุกข์เป็นนักบวชถ้าหากว่าไม่ทั้งความเพียรให้เข้มงว ด, วดขวัญกระสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปกลับไปเป็นทาตของกิเลสนั่น ทีเด็ดมันก็บังคับให้ทำนาทำสวนทำการค้าขายบังคับให้เป็ น, ปนลูกจ้างเขาเขาให้เงินวันละห้าสิบบาทหกสิบบาทก็เอาถ้าช่อยว่าเอาแพงเขาก็ไม่จานคันนี้มันแสนยากแสนลำบาก คนไม่มีอินทาจะทำกินไ ม, มไม่มีสวนจะทำมันก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาให้เขาดูถูกดูเมินเหยียดหยามอยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดควรพิจารณาเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิญญาตนนับถือเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งกิเลกแล้ว เราต้องะระลึกถึงปฏิปทาความินมาของพระ อ, องค์ะจึงเรียกว่านับถือแล้วเมื่อรู้ปฏิปทาความเปนมาของพระ อ, องค์เป็นอย่างไรเราต้องลงมือเดินตามบ่เนี่ยลงมือประพฤติตามอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสจริงอต่ผู้ไม่เลื่อมใสจริงนั่นไม่ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้รักษาสินหา้าสินอโมสดอย่างนี้ก็เฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรนี่ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่รู้อยู่คนเราส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงอ่ะ ทำความดีกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วมันสู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันก็มากระชิบใจเนี่ยให้พอใจไปในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเลื่อยไปอย่างนี้นะกิเลสตัณหามันกระิับใจมันก็ไปตามหน้าแข่งตัณหา มันไปสั่งสมตันหาให้มากเกินขอบเขตไปมันก็เป็นเหตุให้ทำบาป ท, ทำกรรมมันชั่วช้าเร็วซามต่างๆเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็รักษาธนุถนอมดีเต็มที่เลยเลี้ยงให้จนใหญ่กล้านาบานเป็นแสเป็นสาวมา แล้วอย่างนี้ลืมคุณพ่อคุณคุณแม่จะแล้วผู้หญิงสมัยนีย้ชอบเกาะมือกับผู้ชายแล้วเดินหน่วยหน้าตามถนนทางอวดคนว่าฉันมีคู่รักแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยทางที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยเดี๋ยวไปทำให้เสียเนื้อเสียตัวเสียความบริสุทธิ์ไป อัในนี้ใครอย่างไหลเขารู้แล้วเขาก็ไม่เหลียวแลเลยกับเป็นคนตกหลน่นมีอย่างนี้เยอะแยะเลยบางคนก็มีลูกไม่มีพ่ อ, อเอาไปคลอดอย่โรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งให้นางพยาบาลเขาเลี้ยงตัวเองก็ห น, นีไปหาความสนุกสนานต่อไป มันจิตตามเอาจริงๆนะคนเราน่ะเป็นอย่างนี้แหละบางคนก็คลอดลูกออกมาแล้วก็เอาผ้าห่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตามกองขยะหมุ น, นคนทั้งหลายเห็นเข้าเขาสงสารเขาก็เอาอมาเลี้ยงไว้หรือไม่ใช่ก็เอาไปมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ ให้เลี้ยงกันอันหมดนี้นะล้วนทั้งแต่มันลุกอำนาจแก่ตัญหาทั้งนั้นเลยตัญหามันเกินขอบเขตไม่ถึงการเวลาควรที่จะปล่อยกายปล่อยใจก็ไปปล่อยซะแล้วไอ้อย่างนี้มันก็ประสบทุกข์ในภายหลังแลนั่น ตัณหาความอยากตัวเดียวนี่นะ่ะมันเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเพราะตัณหานี่มันแจกกิ่งแจกก้านออกไปสารพัมตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลง อ, อันบุนีนะ มันก็เกิดจากตัณหาที่ทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่อยากโลภมันจะไปโลภทำไมอ่ะนั่นเองไปโลภเอาของไปเอื้อประโยชน์ทุตนทาไมถ้าไม่อยากโกรธมันมันจะโกรธเหรอไม่โกรธถ้ามันไม่อยากแต่พ่ามันอยากล้วนแะมันถึงโกรธผู้ใดห้ามความอยากได้ผู้นั้นก็ไม่โกรธแล้วก็เพราะมันอยากหลงมันถึงได้หลง มันอยากหลงนันเป็นไงอ่ะอาปล่อยตนไปตามยถากรรมสิอยากทําอะไรก็ทําไปอยากพูดแล้วก็พูดอยากคิดอะไรก็คิดไปคิดตัวไม่มีเหตุไม่มีผลคิดไปตามอานาจแห่งความอยากคือตัณหาคิดไปในโลกเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสอำนาจโลกสมมติเขาสมมติว่าเป็นของสวยของงาม ออืก็เลยหลงไปตามนิยมสมมุติของโลกอเรื่องความหลงนี่เนี่ยมันพิษตะ دان กล้องขวางมากทีเดียวหลงไปสารพัดก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โลภได้โกรธมันเป็นอย่างนั้นวันี้เรามาทํําทาลายตัณหาความอยากหลงอันนี้ลงเสีย แล้วก็ทักจิตมาให้เป็นผู้อยากรู้วันนี้นะเมื่ออยากรู้ความจริงของชีวิตมันก็ต้องทาความเพียรเพ่งพินิษอยู่ภายในมีแต่อยากค้นทุกข์ในขันธ์ห้านี้แต่แล้วไม่อยากรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็มันก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้เลย แต่ที่คนพ้นทุกมาได้ตามประวัติที่เป็นมาแต่ครั้งพุทเเจ้านั้นนะก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไม่เกียดคร้านมาแต่อดีตชาติทนหลังตื่นดึกลุกเช้าทำความเพียรชำละใจผ่องใสสะอาดเมื่อใจผ่องใสสะอาดแล้วทำบุญลำทานอะไร มันก็มีผลมากมีความสุขความสบายใจมากเพราะว่าใจได้สาละให้ผ่องใสสะอาดด้วยอานาจแห่งศีลแล้วเมื่อทำบุญทาทานเลยก็มีจิตใจเบิกบานผ่องใสนั่นแหละทำทานการกุศลทานจังว่ามันมีผลมากมีในสงฆ์มากคันบุคคลผู้มีศีลแล้วนะ ถ้าคนไม่มีศีลแล้วมีจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแม้จะทำบุญทำทานหมดเงินเป็นล้านๆมันก็ไม่ได้ความเย็นใจหรอกก็มันปล่อยใจขขาตนให้ตกอยู่ใต้อํานาจของมารแล้วสุดแล้วแต่มารมันจะจูงไปยังไงก็ไปตามมันนี่มารมันรวนบันดาลให้ยึดถือขันหาว่าเป็นตัวเป็นตนก็ยึดมันอย่างนี้แหละ มันโดนบานดานให้หลงผิดเป็นชอบไปว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรนิพพานไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีมันไม่มีบุคคลผู้รู้หนทางออกจากทุกข์เลยอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าหลงทีนี้เมื่อเรากลับให้มารู้ทำความเพียรเข้าไป ให้กาหนดรู้ทุกันมีอยู่ในขันห้าอันนี้ให้เห็นแจ้งพระจักเลยกำหนดรู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดจากหัวใจนี่แหละใจนี่แหละอยากขึ้นมามันถึงใช้ากายทำใช้วาจาพูดมันถึงก่อความทุกข์ขึ้นให้แกดวงกิจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ผิดนี่เป็นผู้สร้างความโกรธความเมตตาอะไรต่ออะไรขึ้นมาสร้างความหลงความเมาขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วตนกบกำจัดมันบัดนี้เมื่อรู้ตัวแล้วแต่เมื่อยังไม่รู้ตัวนั้นก็ยังสะสมกิเลสนี้ไว้ยอยู่อย่างนั้นแหละเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแต่ความสนุกสนานคนเห็นแก่ความสุขชั่วคราวนะ ไม่ต้องการความสุขอันไพยบุญเช่นนี้แล้วมันก็เห็นแต่แก่กินเห็นแต่แกนอนเห็นแต่แกเล่นสนุกสนานไอ้ความสมรวมกายวาจาใจนั้นไม่มี่อยตามยถากรรมแล้วแต่กิเลสมันจะนำไปให้พูดอย่างไรคิดอย่างไรทำอย่างไรก็ทำตามที่กิเลสมันบงการ นี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของชีวิตของมนุษย์เราสายเหตุที่จะพน้นทุกข์ไปได้นะก็เพราะตัณหายังดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้ายังตรัสพาสิด้วยว่าตัณหขาขโยสัพพุกขังชีนาติความเอาชนะทุกได้ได้ชือว่าเอาชนะ กิเลสตัณหาทั้งมวลชื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาได้ชื่อว่าเอาชนะทุกข์ได้นเ่นั่นไจึงได้รู้ได้ชั ด, ชดว่าความทุกข์มันเกิดจากตัณหาโดยตรงแน่ น, นอนเลยทีเดียวเพราะว่า ปัญหาแปลว่าความอยากความอยากเกิดจากที่ไหนบ้นี่เกิดจากจิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วความอยากก็ไม่มีอันร่างกายมันไม่อยากอะไรมันมันไม่ว่าอะไรมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกกลับไปยังก็เป็นอย่างนี้แหละ จิตนี่ส้เป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ให้สำคัญเรื่องจิตใจนี่ให้มากนั่นแหะเมื่อจิตรู้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุที่เกิดทุกข์นี่ก็อย่ไปสะสมให้มันมากขึ้นสิตัณหานะตัดทอนให้มันน้อยลงคือว่าอย่าไปสะสมความอยากความต้องการปรารถนานี่ให้มากขึ้นไปโดยลำดับ ตัความอยากให้มันน้อยลงให้มันพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของชีวิตดัง น, นั้นการที่เราภาวนาทำใจสงบระ ง, งับลงไปนี่ก็ได้ชื่อว่าเราเพียรพยายามระงับตัณหาความอยากไม่ให้ใจมันอยากคิดไปโน้นไม่ไม่อยางให้ใจมันคิดไปทางนี้ แค่ใจมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะนี่แหละเป็นอุบายละตัณหาถ้าจะถอนรากมันได้จริงๆก็ต้องเจริญปัญญาเข้าไปเพจารณาให้มันเห็นความอยากความปรารถนานี่ไม่มีที่สุดใช้ปัญญาสอนใจนี่เสมอเสมอ จนว่าใจนี่มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือคลายความอยากความปรารถนาลงนี่เป็นทางดับทุกข์ดับภายในวัฏสงสารนี่เพราะฉะนั้นแหละทุกคนน่มีทุกข์อยู่ในตนน่ะ ให้พึ่งพิจารณาทุกกายกายก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเกิดมาแล้วก็ชำรุดทุดโทรมไปเรื่อยๆเราก็รู้กันอยู่นะคนแก่คนเฒ่ายิ่งรู้ดีมันชำรุดทุดโทรมไปยังไงอะร่างกายนี่นี่มันก็รู้ดีอะแม้คนหนุ่ม ต่อไปมันก็ต้องแก่เหมือนกับคนแก่นั่นนะเหมือนพ้นไปไม่ได้ต้องวาดภาพดูพินาะดูร่างกายไม่ใช่เป็นหนุ่มกระซุ่มกระซวยอยู่นี่เรื่อยไปเมื่ออายุมากเข้าไปเท่าไรมันก็ชำรุดทุดโทมไปเท่านั้นนี่เรียกว่าความทุกข์กายมันทนได้ยากทนลําบากต้องได้บำรุงอยู่ด้วยอาหารการบริโภค ต, ต่างๆนานานะ จึงพอประทังอยู่ได้การแสวงหาอาหารมาเลี้ยงมันไม่ใช่ของง่ายๆต้องเอาทุกเป็นทุนเสมอไปเนี่ย่าอความทุกข์กายความทุกข์ใจก็เพราะใจไม่รู้เท่าร่างกายตามเป็นจริงนี่แหละไปหลงรักหลงชังหลงเกลียดร่างกายอันตนและผู้อื่น บางคนเกลียดทังตัวเองเข้าไปจนถึงกับฆ่าตัวตายนี่มันไม่ถูกทางมัติมาปฏิปทาเสียแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้บุคคลมาสอนใจของตนให้มันวางอเวกหาลงอย่าไปเสียใจดีใจกับอะไรทั้งหมดให้มันลดละความอยากความวัชนายน้อยเข้าไปโดยลำดับ ทำได้อย่างนี้แล้วมันก็มันมันก็ไม่มีทุกข์ทางใจเนี่ยเหตุที่ใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะปล่อยให้กิเลสเหล่านั้นมันวุ่นจูงไปตามประสงค์ของมันมันเป็นอย่างนั้นเหตุที่คนเราจะมีทุกข์ทางใจเนี่ย เ, เราปรารถนาสิ่งใดในหน้าที่การงานที่เราต้องการจะทำจะให้เกิดให้มีบังเอิญ มันไม่เกิดไม่มีให้ตามประสงค์ซะอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความทุกข์ใจนะสรุปแล้วเรียกว่าใจไม่รู้ใจไม่รู้เท่าสังขารตามเป็นจริงมันถึงได้สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาเผาร้นจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าหากว่าผู้ที่ แต่มีความเพียรใหญ่มีความพ่ายามละทัญหาในหัวใจในให้น้อยบาบางออกไปเท่าไรความทุกข์ใจมันก็เบาไปเท่านั้นแหละแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็นในขณะที่มันเบื่อหน่ายอยู่เท่านั้นแหละแต่ทีนี้ เมื่อจิตใจมันไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ยึดถือรูปนามอันนี้เหมือนเดิมมันถึงได้เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจนเมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วบาปมันก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ ไม่สมประกอบให้ชำรดชุดโทมจิตที่มาอาศัยอยู่ร่างกายที่บาปทุกแต่งให้นี่มันก็แทนทุกแต่ยากแทนลำบากนี่แหละทุกทั้งกายทุกทั้งใจแบบนี้นะนนร่างกายนี้บาปกรรมทุกแต่งก็ไม่เป็นสุขแล้วจิตใจนี่ไม่อบรมบัญญายเกิดขึ้นก็ไม่รู้เท่าขันต่างห้านี่ก็เป็นทุกข์ อยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้เท่ากันห้าแล้วก็ปงวางไว้ตามสภาพของมันความทุกข์ทางจิตใจก็ดับไปดังแสดงมา